ศาสตร์แห่งความสงบบางทีอะไรอะไรมันจะดีขึ้นถ้าทุกคนหยุดโตเถียงกันสุภาษิท์ตะวันออกที่โด่งดังกล่าวว่า ผู้ที่รู้ไม่พูดผู้ที่พูดไม่รู้มันอาจจะฟังลึกซึง้งจนกว่าเราจะฉุก ค, คิดได้ว่าถ้าใช่ผู้กล่าวย่อมเป็นผู้หนึ่งที่ไม่รู้